จะเลือนถอนท่านสาธุชนพุทธบริษัตท์ผู้มีจิตศรัทธามีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาทุกทก่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิพุท็พฤษภาคมพุทธศักราชส5งราหเป็นวันที่ท่านทั้ลาย ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำประโยชน์ให้กับตนและทำประโยชน์ให้แก่ผู้ืด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไปเกิดใหม่และการที่เราจะไปเกิดใหม่ให้มีชีวิตที่ดีกว่าเก่าเราก็ต้องทําบุญไม่ทําบาปและถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องปฏิบัติธรรม จเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาและเราก็มีความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ให้เราระเลิกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายคือให้เราละเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่เราจะได้ไม่ตั้งอยู่ในความปรมา ที่เราจะได้รีบทำกิจทำประโยชน์ของตนและทำประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึง็เรร้อยด้วยความไม่ประมาทเพราะถ้าถ้าเราไม่ละลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าเราประมาทพอเราไมไ่ละลึกถึงความตายเราก็จะลืมไปว่าเราจะต้องตายแล้วเราก็จะมัวมา หาสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาบุคคลต่างๆมาเป็นสมบัติแต่เราไม่รู้ว่าของต่างๆที่เราหาได้ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเวลาที่ร่างกายตายไปเราอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราสามารถเอาไปได้ก็คือ บุญกุศลเช่นการทำบุญให้ทานการรักษาสิ่งการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากต่อจิตใจของเราเพราะเป็นที่พึ่งของจิตใจของเรานั่นเอง สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจไม่สามารถทำใจให้เกิดความสุขเกิดความอิ่มเกิดความพอได้ไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆภายในใจให้หมดไปได้ไม่สามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้มีแต่ความทุกข์ทรมานใจได้ อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราพยายามทำบุญให้มากพยายามลาบาบให้มากพยายามชำระใจให้สะอาดให้มากเพราะจะเป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่เป็นประโยชน์กับจิตใจจิตใจของเรานี่เป็นของเราเป็นตัวเรา ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราอย่าหลงไปกับการหาควาหาสิ่งต่างๆมาให้กับร่างกายมากจนเกินไปหาพอเท่าที่จำเป็นก็พอคือหาที่อยู่อาศัยหาอาหารหายารักษาโรคหาเครื่องนุ่งห่มให้กับใจก็พอแล้วแต่เราควรจะหาที่พึ่งของ ใจให้มากก็คือเราต้องหาบุญหากุศลด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อเราจะได้มีทำมีบุญมีกุศลที่จะเป็นที่ ดูแลรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์ไม่มีควา ม, ม, มวามุ่นวายต่างๆนี่คือรรการลกิจที่สําคัญของเราคือการดูแลรักษาใจอย่าไปดูแลรักษาร่างกายให้มากจนเกินไปเพราะรักษาได้มากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถ ที่จะยับยังความแก่ยับยั้งความเจ็บไข้ได้โดยยับยั้งความตายได้แต่การดูแลรักษาใจถ้าดูแลได้มากเท่าไหร่ก็จะยับยั้งความทุกงที่มีอยู่ภายในใจให้ได้มากขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็จะสร้างความสุขภายในใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไป การดูแลรักษาใจจึงเป็นการกระทำที่ไม่สูญเปล่าได้รับประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตส่วนการดูแลร่างกายนี้จะได้รับประโยชน์เฉพาะในปัจจุบันในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่แต่พอร่างกายตายไปแล้วก็จะไม่สามารถดูแลรักษาร่างกายได้ต่อไป ประโยชน์ที่ให้กับร่างกายก็จะหมดสภาพไปนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะลํำเลิกอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่จงเนงว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ร่วมพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาร่วมพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัดผาจากของเล่าของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปร่วมพ้นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราควรลำเลิกอยู่เรื่อยๆวันละหลายหลายครั้งเพราะถ้าเราลำเลึกได้มากเท่าไหร่ เราก็จะไม่ลืมเราก็จะไม่หลงเราก็จะได้ไม่ไปทำภารกิจที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเราจะได้มาทำภารกิจที่เป็นประโยชน์กับเราก็คือมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าเราไปลำนึกเราก็จะคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราก็จะไปหาลาบยนทรัลเสิรไปหาความสมทานตาหูจนูกิ้นกายอย่างที่พวกเราทั้งหลายกำลังทำกันอยู่ในเวลานี้เราจะมาทาทานรักษาสีงห์ฟังเทศทำธรรมปฏิบัติธรรมกันน้อยมากไม่เหมือนกับการไปหาลาบยนสรัลเสิญ หาความสุขทางตาหูจมุกลิ้นกายเราหาการอยู่ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาที่เราหลับนอนเท่านั้นเองเวลาตื่นขึ้นมาเราก็หาความสุขทางตาหูจมุกลิ้นกายกันแล้วไปเปิดตู้เย็นหาขนมมารับประทานหาเครื่องดื่มมาดื่มแล้วก็ไปลงเข้าไปในครัวหาอาหารต่างๆมารับประทาน พอออกนอกบ้านก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่งกาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆไปหาคนนั่นคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือการหาประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจพอไม่ได้ทำให้จิตใจอิ่มจิตใจพอ แต่กลับทำให้จิตใจมีความหิวมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเวลาที่ไม่สามารถหาสิ่งต่างๆตามความต้องการได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความว้าเหวมีความอุดหิดมีความเศร้าส้อยหงอยเหงายมีความรำคาญใจนี่คือการทำลายจิตใจ การสร้างความทุกข์ให้จิตกับจิตใจถ้าเราหาแต่ารากรดสารเสริญหาแต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้กนกายและเวลาร่างกายไม่สามารถทำอะไรได้เวลานั้นจิตใจก็จะทุกข์ทรมารเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้กนกายได้ไม่สามารถหา ลากร้อนสัรเสรื่อด้เวลานั้นก็จะมีแต่ความว้าเวมีความเศร้าส้อยหอยเหงาและอาจจะมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายได้เพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปแนละ้วไม่สามารถหาความสุขอะไรได้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจกัน เพราะว่าถ้าเราหาความสุขทางใจเป็นเวลาล่างกายเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรายังหาความสุขทางใจได้เช่นเวลาที่ล่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการเป็นอมัอมพาตเรายังหาความสุขทางใจได้เรายังทำใจให้สงบได้เรายัง จเจริญสติได้เรายังบริกรรมพุโทโธพุธโทโธได้ถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องอะไรไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ใจของเราก็จะว่างใจเย็นจะสบายและเวลาใจของเราสงบนิ่งก็จะมีความสุขอย่างยิ่งนี่คือความสุขทางใจ ที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้ลาบยศเป็นเครื่องมือี่แลคือการดูแลรักษาใจเพื่อให้ใจของเรามีความสุขและให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์พอเวลาเราทำใจให้สงบนั้นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะสงบตัวลงไปด้วยก็คือติเลสตัณหาความอยากต่างๆเวลาใจสงบกิเลสตัณหาก็จะทำงานไม่ได้พอกิเลสทางานไม่ได้ความทุกข์ใจความวุ่นวายใจความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆก็หายไปหมดนี่แหละเป็นความสุขเป็นการดับความทุกข์เพียงแต่ว่า เป็นการดับทยมชั่วคราวเพราะการทำใจให้สงบด้วยการร้องเรกรู้โธพู้โธนี้จะทำให้ใจสงบได้สักระยะหนึ่งแต่ไม่นานหลังจากนั้นกิเลสตัณหาความสงบก็จะหมดไปกิเลสตัณหาก็จะมีกำลังโผล่ขึ้นมาเวลานั้นถ้าเราอยากจะไม่ให้กิเลสตัณหา โผลขึ้นมาสร้างความทุกข์ให้กับใจตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ให้รู้ว่ากิเลสัหานี่เป็นต้นเหตุของความไม่สงบเป็นต้นเหตุของการทำใจให้วุ่นวายทำใจให้ทุกข์ทรมานถ้าไม่อยากจะทุกต์รมานใจไม่อยากจะวุ่นวายใจ อยากจะให้ใจสงบต่อไปก็จะต้องหยุดย้ำย้ำความอยากยัำย้งความโลภความโกรธความหลงวิธีที่จะยับย้งความอยากย้ำย้งความโลภความโกรธความหลงก็ต้องสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้นี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับใจเท่ากับความสงบที่เรามีอยู่ในใจของเรา ความสุขที่เราได้จากความอยากนี้เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยและเดียวเดียวแล้วหลังจากนั้นก็จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาเพราะจะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาและความอยากใหม่ก็จะแรงกว่าความอยากเก่าเคยได้เท่าไหร่ก็อยากจะได้มากกว่าที่เคยได้ได้คือก็อยากจะได้เป็นสได้เป็นสบก็อยากจะได้เป็นวา ได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้แสนก็อยากจะได้ล้านได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านร้อยล้านพันล้านไปตามลนดับไม่มีวันสิ้นสุดใจก็จะต้องวุ่นวายรื่นหาสิ่งต่างๆตามความอยากมาถ้าอยากจะให้ใจสงบให้เย็นสบายไม่วุ่นวายก็ต้องต่อสู้กับความอยาก ด้วยการสอนใจว่าอย่าไปอยากเพราะอยากแล้วจะทุกข์และสิ่งที่อยากได้ก็ไม่สุขสุขนิดเดียวเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าเราไม่สามารถไปควบคุมคบังคับให้มันให้ความสุขกับเราได้เสมอไปสิ่งที่เล่าเคยให้ความสุขกับเราวันดีคืนดีก็เปลี่ยนเป็นให้ความทุกข์กับเราได้เช่นคนที่เรา ได้มาเป็นคู่ครองเวลาเราได้เขามาใหม่ๆเขาก็ดีไปทุกอย่างให้ความสุขกับเราแต่พอเขาเปลี่ยนไปแทนที่จะให้ความสุขเขาก็จะให้ความทุกข์กับเราแทนที่เขาจะดีกับเราเขากลับไม่ดีกับเราแทนที่เขาจะซื่อสัตย์กับเราเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราอย่างนี้ก็จะทำให้ใจของเราไม่สุขแล้ว มีแต่ความทุกข์แล้วแล้วเราก็ไม่สามารถไปสั่งเขาได้ไปห้ามเขาได้เขาอยากจะดีหรือไม่ดีเราไปสั่งเขาไม่ได้พอเขาไม่ดีเราก็จะเศร้าโศกเสียใจนี่คือปัญญาที่เราควรจะสอนใจทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรสอนใจว่าถ้ามันไม่จำเป็นอย่าเอามาถ้ามันจำเป็นจริงๆค่อยเอามา เช่นเราต้องการเสื้อผ้าเพราะเสื้อผ้าที่เรามาอยู่นี้ขาดหมดแล้วไม่สามารถใส่ได้แล้วอย่างนี้จําเป็นก็เอามาได้แต่เอามาพอประมาณเอามาสักสองสามชุดก็พอเช่นเดียวกับรองเท้าเช่นเดียวกับของใช้ต่างๆอย่าเอามามากจนเกินไปจะเป็นความอยากเพราะเมื่ออยากแล้วก็จะอยากเพิ่มขึ้นไปอีก ต่อไปก็จะมีของล้นบ้านมีของล้นบ้านแต่ก็ไม่ได้มีความสุขล้นใจความสุขก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มีเดียวเดียวแล้วก็หายไปแล้วก็เกิดความหิวความอยากได้เพิ่มขึ้นมาอีกความสุขที่มีอยู่ก็หายไปต้องหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราสูนความอยากได้ใจของเราก็จะกลับไปสู่ความสงบ ใจก็จะอิ่มใจก็จะมีความสุขมีความพอทุกครั้งเวลาเกิดความอยากความสุขความอิ่มความพอก็จะหายไปถ้าอยากจะได้ความอิ่มความสุขกลับคืนมาหม่เราก็ต้องหยุดความอยากใหม่ถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วทั้งต่อไปความอยากจะเบาลงกำลังจะน้อยลงจะอยากได้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆ จนไม่อยากได้เลยเพราะรู้ว่าอยากที่ไรก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะเราไม่ทําตามความอยากเช่นอยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็ไม่ซื้อซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็ไม่ซื้อซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็ไม่ซื้อเพราะของเหล่านี้เรามีอยู่แล้วมีพออยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปความอยากก็จะไม่เกิดขึ้นมาเพราะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะไม่ได้ เมื่อไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะอยากไปทํำไมนี่แหละคือวิธีที่เราจะกำจัดความอยากต่างๆครับและกําจัดความทุกข์ที่เป็นผลที่เกิดจากความอยากต่างๆได้จนหมดไปพอเรากําจัดความอยากหมดไปแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาและเราก็สามารถเอาวิธีที่เราได้ปฏิบัตินี้ มาช่วยเหลือผู้ต่อไปมาสั่งสอนมาบอกผู้อื่นถ้าเขาอยากจะรู้แต่ถ้าเขาไม่อยากจะรู้ก็อย่าไปสอนเขาไม่เกิดประโยชน์อะไรสอนแต่คนที่อยากจะรู้คนที่มีความทุกข์ใจแล้วอยากจะดับความทุกข์ใจเราก็สอนไปตามวิธีที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติม า, มาสอนให้เขาเสียสละ ทรัพ ส, สมบัติเข้ากล่องเงินทองต่างๆอย่ายึดอย่าติดอย่าหวงอย่าอยากได้เพราะจะทําให้ใจไม่สบายให้มีไว้เท่าที่จําเป็นก็พอให้มีปัจจัยสี่ไว้ดูแลร่างกายก็พอแล้วส่วนอย่างอื่นไม่ต้องเก็บเอาไว้เอาไปแจกจ่ายเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นมีความสุขจะดีกว่า แล้วก็บอกเขาว่าต้องรักษาสิงอย่าไปทำบาปเพราะการทำบาปจะทำให้ทุกข์ใจจะทำให้วุ่นวายใจถ้าไม่ทำบาปแล้วใจจะเย็นจะสงบจะสบายไม่วิตกไม่กังวลไม่เดือดร้อนแล้วก็สอนให้เขาทำใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปทำวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับให้เขานึกแต่คา พุโทโธพุโทโธไปแล้วใจจะว่างใจเย็นจะสบายพอเวลาไม่มีไม่ไม่ต้องทําอะไรมีเวลาว่าก็นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะลวนเข้าสู่ความสงบพอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขอย่างมากมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายก็จะทําให้รู้ว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงมบแล้วก็จะไม่อยากไปหาความสุขต่างๆถ้าเกิดความอยากก็สามารถหยุดความอยากต่างๆได้นี่คือการทำประโยชน์ทั้งกับให้กับตัวเราและให้กับผู้อื่นขั้นต้นเราก็ต้องทำประโยชน์ให้กับตัวเราก่อน เราต้องทำใจของเราให้มีความสุขมีความสบายก่อนทำใจของเราไม่ให้มีความทุกมก่อนพอเราทำได้แล้วข่้นต่อไปเราก็เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเอาไปสอนผู้อื่นถ้าผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือเราก็สอนถ้าเขาไม่ต้องการก็อย่าไปสอนเพราะจะเสียเวลาและจะทำให้เขาลขาคาญใจคนเหล่านี้ บางทีถ้าเขาไม่ต้องการอะไรแล้วเราไปยัดเยียดให้กับเขาเขาจะไม่ชอบเขาจะไม่อยากได้เขาจะเบื่อเราย่าอยากไปยัดเยียดสิ่งต่างๆให้กับเขาถ้าเขาต้องการค่อยให้ถ้าเขาไม่ต้องการก็เถอว่าช่วยไม่ได้ของดีของวิเศษไม่อยากได้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนี่คือ การตั้งอยู่ในความไม่เปล่าเราต้องระลึลกถึงความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไปหาหมอและหมอบอกว่าเราเป็นโรคร้ายจะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนเราจะทำอะไรเรายังจะไปหาเงินหาทองหาสมบัติหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กางหรือว่าเราจะหาที่พึ่งทางใจ เพราะว่าถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจเวลาร่างกายจะตายนี้ใจของเราจะทุกข์ทรมานอย่างมากคนที่รู้ว่าตัเองจะต้องตายภายในเวลาเวลาไม่ไม่นานก็จะไม่อยากไปหาเงินทองไม่อยากจะไปหาความสุขทางร่างกายต่อไปอยากจะมาหาที่พึ่งหาความสุขทางใจกัน เราจึงควรคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆคิดว่าเราอาจจะต้องไปหาหมอวันใดวันหนึ่งแล้วเจอคาตอบของหมอที่เราไม่อยากจะเจอก็ได้ว่าเรามีเวลาเหลืออยู่น้อยแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ปล่อยเวลาอันมีค่าในตอนนี้ไปหาสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเราเราจะมุ่งไปสู่การ หาที่พึ่งทางเจ้าของเราเราจะทุ่มเทกับการทาบุญทุ่มเทกับการรักษาศีลทุ่มเทกับการปฏิบัติธรรมทุ่มเทกับการฟังเทศน์ฟังธรรมว่าเรารู้ว่าจะเป็นที่พึ่งของใจเราได้จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์กับการตายของร่างกายได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะ พิจารณาอยู่น้เนืองถ้าเราไม่พิจารณาไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราจะลืมเพราะเราจะไปคิดถึงเรื่องต่างๆพอเราคิดถึงเรื่องนั้นื่อนนี้เราก็จะลืมเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไปทั้งๆที่เราก็รู้อยู่ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอเราลืมไปก็เหมือนกับว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะมัว แต่ไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับใจไม่เป็นที่พึ่งของใจพอถึงเวลาต้องพบกับความตายเข้าจริงๆเราก็จะไม่มีที่พึ่งเราจะไม่มีเวลาพอที่จะสร้างที่พึ่งทางใจได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี ดังนั้นเราจรึงควรที่จะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเพื่อเราจะได้มาทําประโยชน์ให้กับใจของเรามาทมําบุญให้การมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่พวกเรากําลังทํากันอยู่ในวันนี้ควรจะทําให้มากขึ้นไปอย่าทำอย่านานๆทาสัปาหครั้งหนึ่ง เพราะว่าเหมือนกับตักน้ำใส่ตุงนานๆจะสักตักใส่ตุงสักครั้งหนึ่งน้านจะไม่เต็มตุงเวลาอาจจะไม่มีพอที่จะตักน้ำให้เต็มตุงได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนานๆทำสักครั้งหนึ่งเราก็จะไม่สามารถสร้างที่พึ่งทางใจให้เป็นที่พึ่งกับเราได้รอยเปอร์เซ็นต์ อาจจะพึ่งได้เปยนเล็กๆน้อยๆทำนองนีน้นี่คือหน้าที่ของเราเราเกิดมานี้เพื่ออะไรก็เพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจงนี้เพราะใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราต้องเวียนว่ายตารเกิดก็เพราะว่าไม่มีที่พึ่งต้องไปหาร่างกายมาเป็นที่พึ่งแต่แทนที่จะได้รับที่พึ่งเรากลับได้ที่มา สร้างความทุกข์ให้กับเราเพิ่มมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่เราเกิดเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายดังนั้นขอให้เราพยายามมาสร้างที่พึ่งกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้เอาเวลาของเราที่มีคุณค่านี้มาสร้างที่พึ่งทางใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ทำกัน เพราะว่าถ้าทำได้สำเร็จแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายไปตลอดไม่มีความทุกข์ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเพราะพระพเจ้ากระพร้าหาหลังจากที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านไม่ต้องวุ่นวายกับพังทุกข์อีกต่อไปไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่จะเจ็บหรือไม่จะตายหรือไม่ จะไม่เป็นปัญหากับใจของพระพุทธเจ้าใจกับของพระอรหันต์เพราะท่านมีที่พึ่งมีที่ป้องกันไม่ให้ใจไปทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข้ตาตานละเป็นร่างกายของพ่อของแม่ของลูกของหลานของสามีของภรรยาของญาติสนิทมิสหายก็จะไม่เป็นปัญหา จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้เลยนี่คือหน้าที่ของเราการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราก็มาเกิดเพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจนี้เอเพราะถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจเราก็ยังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไปทุกกับการแก่การเจ็บการตายไปไม่มีวันหมดสิน้นแต่ถ้าเราสร้างที่พึ่งทางใจได้แล้ว ใจของเราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดใจไม่ต้องไปหาที่พึ่งแล้วเพราะมีที่เพิ่งอยู่ในใจแล้วมีความสุขเต็มที่แล้วมีความอิ่มมีความพอแล้วดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามใช้เวลาที่มีค่าของชีวิตนี้ให้กับการสร้างที่พึ่งทางใจเถิด ด้วยการให้รำลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืเพื่อจะได้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนั่นเองการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนครายได้บุงกุศมที่ท่านได้มาบำเพึงกันในวันนี้ จะเป็นเลเป็นปัจจัยให้ท่านเลจากสุขละพาจะเจริญแค็งแกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งควงโดยที่หน้ากรรมเธอ